จะไม่จ่ายความคิดความนึกออกไปในขณะนี้นะนี่เรียกว่าเป็นวิธีพั ก, กจิตจิตนี่มันถ้าใช้มันคิดมากมันก็เหนื่อยเหมือนกับร่างกายนี่แหละร่างกายใช้มันทางานเกินขอบเขตมันก็เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใจคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีเวลาสงบเสียเลยมีแต่คิดอ่านการงานนึกคิดเล่นเล่นอย ล, ลอ ย, ลอยไป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 มันก็คิดปรุงแต่งไปสิ่งนั้นเงินไม่มีใช่มันก็คิดทาเงินอย่างนี้เนี่อบ้านถาวาไม่มีใจอยู่มันก็คิดสร้างบ้านมาหน้ทำอย่างไรเนอะถึงจะได้สร้างบ้านท่าวรลอยู่อย่างคนอื่นเขาที่เขามีแล้วไม่มีเกียรติมียศเหมือนอย่างคนอื่นเขาอ่ามันก็คิดอยากมีเกียรติมียศชื่อเสียง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 ความสบายอันเกิดจากความสงบนี้แล้วมันก็จะไม่ชอบคิดพุ่งไปมากมายเรื่องมันน่ะดังนั้นแหละเมื่อมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตลงสู่ความสงบที่วัา น, นี้เมื่ออธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนกรยเป็นที่พึ่งแล้วน้อมจิตตรงน้อมสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าความคิดเนี่ยมันส่งออกมามันพุ่งออกมาจาก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 หาความรู้อันนั้นนะนเป็นอยงนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้ น, นั้นแล้วความคิดก็หยุดลงที่มันมันไม่หยุดคิดอันเพราะสติมันไม่ยังเข้าไปแนบแน่นอยู่ในจิตนั้นเรื่องมันนะ่ะมันมีช่องโอเหตุนั้นมันถึงคิดบนี้จิตนั้นนะ่ะให้เข้าใจนี่แนะ่ละจุดมุ่งหมายของการภาวนานะเพื่อเราฝึกในขั้นต้นนี้นะ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 มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้นะเป็นเครื่องหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าวิจารณ์ดูชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยวันนี้มาคำหนึงถึงความดีของตนมีอะไรบ้างที่จะเป็นที่พึ่งที่อุ่นใจนะเมื่อมาพิจารณาดูอย่างว่าผู้ที่ครองเรือนอย่างนี้เออทานตนก็ได้ให้ศีลตนก็ได้รักษามาไม่ได้ทําบาปอย่างนี้นะ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 เห็นตนบริสุทธิ์อยู่ไม่มีบาปมีโทษอย่างนี้นะเห็นผลแห่งทานคุณแห่งทานว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงอย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้นนะเมื่อมาเกิดปีติขึ้นอย่างนั้นก็ก็ทําความรู้เท่าปีติ อ, อย่าอย่าอย่าไปส่งเสริมปีติเอาจนว่าจิตฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นอะนี่ก็มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มัน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 ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขมันจะอิ่บเ อ, อิบอิ่มใจอยู่นี่ตลอดเวลาไม่ใช่เราเพ่งความสุขอันนั้นอยู่นั้นไปไปม า, มาความสุขอันนั้นมันระ ง, งับลงแบบนี้อจิตมันก็เป็นเอกคตาแล้วแบบนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปจากในความที่ว่ามีความสุขหรือคําที่ว่าปีติอันนั้นก็ระ ง, งับไปแบบนี้ จิตใจก็เป็นหนึ่งอยู่เฉยๆเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านระเ ว, วเอกขตานั่นผลสุดท้ายการฝึ ก, กจิตตามแนวปฐมฌานอย่างว่านี้นะมันก็มาลงเป็นเอกขตาเนี่ยนี่ทำจิตให้เป็นหนึ่งนั่นดังนั้นการที่เราจเจริญอนาปานสติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการ บำเพ็ญปฐมฌานนั่นเองเลแต่เมื่อเรามีอบายแยบคายเป็นนะอย่างที่ว่ามานี่แหละให้พึ่งพากันทันนิฐานเอาไว้วิตกก็ยกคิดขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานก็คือยกขิดขึ้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองวิจารน์ก็คือวิจารถึงชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ด้ลมหายใจเข้าออก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 มันไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากยากข็นอะไรนักหนาต่ขอให้มีศรัทธาก็แล้วกันนะขอให้มีความเชื่อมั่นในใจเลยว่าการที่เราฝึกฝนจิตโดยถูกทางอย่างนี้นะ่ะมันจะมีผลดีต่อตอนเองกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆนัน้มันจะ น, น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆเมื่อเรามาฝึกจิตใจลงไป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 อย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานอย่างนี้นะพ อ, อนั่งสมาธิเข้าไปก็เพ่งลมหายใจเลยฮนะไม่ได้นึกเลยว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานน้อย่างนี้ไม่ได้วิตกล่ะก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเอาเลย <c oughs> เมื่ออธิษฐานจิตอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะวิจารไปมณิทิที่สุดก็ลงสู่เอกคตาของเก่านั่นผนละสุดท้ายในจตุทะชานทั้งสี่นั้น จะตุทะชานที่สี่นั้นมีอุเบกอมีเอกะกตตากเก้าเบกขาเท่านั้นเข้าสมาธิไปแล้วจิตเป็นเอกคตตาแล้วเพ่งเอกคตตานั้นเข้าไป ม, มากเข้าไปแล้วในที่สุดจิตก็เป็นอุเบกขาลงไปเลยมันเฉยลงไปมันละเอียดมากในขั้นนั้น่ะจนว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยอะแต่เพียงแค่ ได้ผสมชาญนี่ก็ยังดีแล้วนะอ่าก็ยังดีนั่นแหละเพราะนั้นพยายามบำเพ็ญไปอย่าไปนึ ก, กว่ามันเหลือวิสัยแตพูดถึงเรื่องชาญแล้วกลัวกันก็มีบางคนนะเรานี่ไม่มีวาสนาหรอกอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเราตีความหมายคำว่าชาญได้แล้วมันมันไม่เห็นเป็นเรื่องลำบากอะไรนะ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 เฮงลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้จิตก็ น, นึกพุทโธพุทโธไปตามลมหายใจเข้าออกนี้เลยฮะฮะว่าทิ้งลมหายใจเข้าออกนี้เสรแล้วมันไม่อยู่กับตัวแล้วมันไม่อยู่กับใจกับกายแล้วอันพุทโธน่ะนะมันจะแล่นออกไปอยู่ข้างนอกนูน่นอ่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกใจสงบลงไม่ได้เลย ดังนั้นให้พึ่งเข้าใจคําว่าชานว่าชานเนี่ยแปลว่าความเพ่งนะถ้าผูดด้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วพอนั่งสมาธิเข้าไปมันก็เริ่มเพ่งเลยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จิตก็ตั้งได้พอจิตตั้งแล้วอธิษฐานนะอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนกรัยดังกล่าวมาแล้วนั่นะเอาเป็นที่พึ่งเมื่อเมื่อใจมัน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 เพราะามันไม่มีรูปร่างสีสันวันนะอะไรเลยบุญก็ดีคุณพระรัตนไกรก็ดีมันเป็นแต่เพียงธรรมารม์ที่เกิดขึ้นในดวงกิจนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ฉลาดเพื่นจึงแนะนําว่าเมื่อเราระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณดังกล่าวมานี้แล้วใจมันสบายใจมันเอิบอิ่มไม่กระวนกวายไปทางอื่นอย่างนี้นะ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 มันเห็นผิดไปถ้าผู้ใดเห็นว่าการทำดีมันให้ผลเป็นสุขจริงเห็นด้วยปัญญาของตนแท้ๆเนีย่ยนี่มันก็ทำความดีได้การทำความดีมันก็มีหลายขั้นตอนทำความดีเบื้องต้นก็ให้ทานทำความดีในธรามกลางก็รักษาศีลทำความดีในขั้นสุดท้ายก็ได้แก่ภาวนา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 ความพ้นทุกไปได้เหมือนอย่างคนเดินทางอย่างนี้แหละคนเดินทางเนี่ยอาศัยสายตานี่ย่องมองไปหน้าก่อนแล้วมันถึงเดินไปได้ถ้าอย่างคนตาบอดอย่างนี้มันต้องคำคำไปอยู่นนั่นแหละไม่ได้สะดวกเลยคนตาบอดเดินทางต้องมีไม้อันหนึ่งชี้ไปข้างหน้าว่ามันมีอะไรขวางอยู่ข้างหน้านั้น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 เพ่งแต่จิตนี้ให้สงบแล้วเรื่องความประพฤติทางกายวาจาเราไม่สํารวมอย่างนี้บางแห่งเพื่อนก็เห็นกันว่าศีลไม่สำคัญสำคัญที่ธรรมะนีการทำจิตใจให้รู้แจ้งในธรรมะนี่โดยเสื่อเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นทางลัดทางตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ความเห็นบางแห่งบางที่ ชิงโยกว็ว่าความเห็นชนั้นมันจะเกิดได้นะมันต้องชาระบาปออกจา ก, กจิตใจก่อนถ้ายังมีบาปมาหุ้มห่อจิตใจอยู่ไม่มีทางหรอกมันจะไปรู้แจ้งเลยนี่โดยเหตุผลจะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อบุคคลไม่สำรวมในศีนนลลาไปทำบาปเมื่อทำบาปอยู่จะไม่ยอมให้บาปบาปนั้นมันมาให้ผลทางด้านจิตใจ ใครไปป้องกันได้ล่ะตนทำบาปด้วยกายวาจาแล้วจะไม่ให้บาป้มันให้ผลทาง จ, จิตใจจะไม่ให้ใจเศร้ามองขุนมัวพุ่งสั่นน้ำคารอย่างนี้ไปห้ามได้เหรอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นทุกคนได้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องลงมือทำต้องสํารวมเช่นอย่างว่าการที่มานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะ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 ถ้าทบทวนดวงถ้ารู้ว่าตนได้ร่วงสิขาบทข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้ถ้าเป็นกระหดหัดก็ต้องสมทานเอาด้วยตนเองเนะี่ยในเวลาเช่นนั้นนะต้องสมทานเอาด้วยตนเองต้องอธิษฐานใจข้าพเจ้าจักไม่ร่วงเกินสิขาบทข้อนี้ต่อไปอีกแบบนี้นะข้าเจ้าข้าพเจ้าจักสำรวมระวังและข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะจักไม่ร่วงนะ อย่างนี้ท่านเรียกว่าสำปัตตะนวิรัตมวิรัตละเว้นโดยตนเองโดยไม่ได้สมทานกับผู้อื่นเมื่อทนอธิฐานใจอย่างนี้แล้วก็สังวนระวังต่อไปไม่ใช่ว่าจะไปอธิฐานใจละเว้นแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นแล้วเมื่อออกจากสมาธิภาวนามาแล้วไปล่วงอีก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 ไปอย่างนี้นะมันก็ใจมันก็เศร้าหมองสิหรือไปคิดรักคนนั้นรักคนนี้อย่างนี้นะใจมันก็เศร้าหมองหรือว่านั่งภาวนาเอาแต่ง่วงเป็นประมาณนะรอให้แตคของง่วงครอบงำกายจิตอยู่อย่างนั้นอา้าอันนี้ก็จิตเศร้าหมองมกันของง่วงนี่นะแต่นั่งภาวนานั่งนั่งแล้วมีแต่คิดฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆ ที่มันเคยยึดเคยถือมาอยู่งั้นไม่ไม่ยอมหยุดคิดอย่างนี้นะอื้ใจมันก็เศร้าหมองแล้วมันจะผ่องใสได้ยังไงฮะเพราะอารมณ์หรือว่าเรื่องที่คิดไปนั่นมันดีก็มีชั่วก็มีอย่างนี้แหละน่ารักก็มีหน้าช่างก็มีเรื่องราวต่างๆของคนในโลกอันนี้นะ่ะอย่างนั้นนะ่ะมันจึงทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวนน่ะมันคิดมากบางทีมันก็สงสัยลังเลคันเมื่อ ความสงสัยครอบความจิตใจนันใจก็มัวหมองเหมือนกันเนะ่ยสงสัยว่าเนี่ยนี่มันทางถูกต้องหรือไม่นอหรือไม่ถูกต้องนออย่างงี้นะลังเลในใจอยู่เนี่ยเช่อย่างว่าเราเข้าสมาธิอย่างนี้นะนี่เราเข้าสมาธินี่ถูกต้องหรือไม่นอถ้าหาว่าวิโตวิจารณ์อยู่เนี่ยจิตสงบไม่ได้เลยเอาไปเามาจิตก็เศร้าหมอง เนี่ยบาปบาปชั้นกลางนะนทําให้ใจเศร้าหมองแล้วก็สงบลงไม่ได้เอนั้นท่านจึ่งเรียกว่านิวรณธรรมแปลว่าธรรมกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้ให้พึ่งพากันกําจัดมันออกไปเมื่อหากว่าผู้ใดละบาปอย่างหยาบพันได้มาแล้วมันก็มาคล้องอยู่บาปอย่างกลางนะ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 เมืจะนั่งไม่นานมันก็มันก็สงบลงได้ถ้ากำจัดนิวรณ์นี่ให้ระ ง, งับไปได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้ากำจัดนิวรณ์นี่ไม่ได้แล้วนั่งนานเท่าไหร่ก็จิตสงบลงไม่ได้เลยให้พึงเข้าใจให้มันชัดๆเร่งนั้นเนะี่ยถ้าพิจารณาดูแล้วนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากจนว่าไม่สามารถจะทำได้ก็เป็นสิ่งที่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 เมื่อเรายกกิตนี้ให้เข้มแข็งกล้าหาญขึ้นตั้งมั่นลงไปแล้วมันมันก็ยุติลงได้เรื่องกิเลสอย่างกลางที่ว่านี้นะมันก็ครอบงาจิตไม่ได้ดังนั้นอย่าไปทำตนเป็นคนอ่อนแอภาวนาเนี่ยต้องทำตนให้เป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญแล้วทำความปีติอิ่มใจในคุณพระัตนกรัยแก้วสามประการนั่นเอาเป็นที่พึ่ง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 แพ่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็ให้มันเห็นแจ้งในนามมาทำสี่ประเภทนี้ชัดเจนลงไปอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะเป็นไปเพื่อความเบื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายความยึดความถืออในขันธ์ทั้งห้านี่ได้เมื่อคลายเมื่อปล่อยวางขันธ์ห้านี้ได้แล้วก็ปล่อยวางสิ่งภายนอกทั้งหมดได้เลย